คึกจิตฝึใจฝึกจิตฝึกใจฝึกสติของเรานะาาตสติ วันวร์รีมามันไงมันนะไม่ไม่เกเราเทฐานกรู้ทฐานมีแต่ความรู้ลจาย Gracias. เราลงสู่เนตราถ่รูสตาได้าอยนดนสก็กเพ่านางก็ือที่ามในความากในาา ทำองนอสติปัทกันปตารกิก็จะลตัวคเกขาไม่มไม่มีนิจของเราก็ว่าเป็นสุริยการ มิเช่นนั้นถ้าใครทำ de Jesus. ใจจึงง่ายๆง่ยเกิดเกิ่ายเกิดิดงิ้ของเราทิ้งวางสว่างใยของใสอยู่ตลอดไปแต่ก่อนเรไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นมันจะมีอย่างมาทำไปเมันเกิดไปเลยดการตัวสติตัวเราสติปัญญาที่เราเอาทำทำมาทำมาถ้าเกิดจะได้น ปัญญาสุดท th ้ายเรารู้ m วามเกิดควับต้นไม่เกิดต้นดตหนึ่งมันจะเกิดจะดเราอยากตเาไปอยู่กับพู้เกิดผู้หับเราก็ิตราไอยู่กับผูเกิดไลับแตอนนันมั่นจะว่าเป็นสมาธิอยู่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญการปฏิบัติการฝึก เราเริกระสัยะทิได้ลสัยะทิได้เราลสัยะทิยังไม่ได้าดที่งดที่รงสตอมาเราเห็นเราจเาดเราไม่รูอถ้าเราเาใจละสัยะทิได้ใจงาน ขันยักขันยักกับจกับใจเาศัยใกล้เกิดเทวประดสังหารเกิดเทวประดับดูผลงานเกิกัดกัดความหมายมีตัวตนสันตุคนี้จิหน้าที่รู้บรรลเฉยรู้เฉยไม่มีอะไรสังหารก็เกิดอย่างที่ว่าเกิดดับจบเกิดก็ทำเมื่อกี้นึงพูดแล้วก็ปมัน พราอยูก right. ับผู้เกิดอยากเนี่ยรามันอยู่กูไม่เกิดไม่อยากเราก็สรุปการตายอะไเกิดอะไรทั้งคิดเกิดคิดดับขันงานเกิดดับลูกคนั้นนี่ก็ใช่เกิดเกิดเยอะไปแล้วนั่นเ็นเ่ที่จิตใจทวันทั้งหกมีหน้าที่สงเข้าไปมอกจิตกิตก็เพื่อนรว่าายากคิดที่ สติปัญญาตอนเวลาเราอารมณ์แท่จิตที่มีสติปัญญาที่ว่ามีโปเทเจนไปไม่กีเรื่องเขคิดเขาเจอทำงานของเขาเองไม่ว uh ่าใครผ่านสภาบันเกิดตั้งแต่เกิดเรื่องประดัดอย่ตงนี้ปฏิบัติภาวนาดับหนาออกมาที่จุดนี้ ถ้าจิดสมงบแล้วท่านเองเห็นชัดท่านจิตไม่เคยจะงมดไปเลยทีเดียวฉะนั้นท่านถึงให้เอาสมสาธิทุกขไม่ได้สมสาธิแล้วแล้วเจอไปเห็นอารมณ์นี้นะอารมณ์รู้รู้ ล, ล, ล, ลกวก็ว่างของใช้เป็นธรรมชาติเห็นจิตเดินแท้ของเราเป็นพุโทโธ สังโมทังโกคนามกดเจ้ากันลีกเ่านี่จะกดดนเราเราจะถงตัวรู้กับตัวบางสว่างสวยที่นั่นมาพูดว่าส <lad> ูญเสยตาก็ตัวนี้เรียอะไรเนียตัวกูรู้กูรู้ก็ู่ในวางบางเป็นธรรมชาติธรรยกสูญยตาหรือเรียกว่าธรรมกาย ไปมเราตัวพเราธรรมชานะทีนี้เราเห็นนเราเห็นแล้วเห็นในสมาธิตอนเราขอสมาธิที่มาเนีันเจรูุดรู้พ้นาความเกิดดับรู้นจากทั้งนั้นมันไม่มีเกิดมีดับมีแต่รู้เรู้เฉยเนสูญยา ใช้อยู่เนี่ยที่ท น, นมาลา่ามาหน้ากองใส่ล่าเป็นะไรเดียวกันหเป็นธรรมชาตธรรมชาติของใช้ ลูลว่าเป็นทั้มาชากโยมีโตต้นสักลูกคนถมาชากถึงทั้มาชาโยมีมันลาบมันากองชัยหนาของชัยเป็นเดียวคน hello เกิดแล้วก็ดำก็เปล่ยนกอยู่เลเ็นนี้ผมเมานเกิดดคือทุกข์มันจะ่อสติปัญญาเ ส born, Santo, ัจจะคือข้ dizendo, ki, ิงยาเห็นทุกยาสัจติมันไ่เห็นสิเียเห็น่ริยาสัจฉิขันเียดเบียนเราทุกตัวสมุทัยใจปอดท่นใจรูปนทรีควาพเดเราทุกทุกทุกทกทุกทุกทุทุกทุกทุกทกทุกทุกทุกทุกทุกทุกนุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุุทุก มาลูกว่าเกิดดับเพื่ a ทุกข์ลูกจะทุกข์ม่กัทุกข์เปียกโโอ้บดับทุกข์อยนนทุกข์ก็ว่าันหดับทุกข์ูว่ากมันดับมัจกกมันทงนสิรว่านโดับทุกข์่ไปยุไปอะไร ที่วันนี้มันหลวต่ด้นวคามี่ัวตัวใช้ทุกคนคือมัมันหย่อนเราไปคือสถียรหนาไปทำวนนอ้ใชเรื่เกี่กับการค้สังเกตการค้พัฒนาหน้าก็คือวามเขียรมาปกิเอาไว้ว่าานี่แล้วอ มีอยู่คนทั่วทักคนทั ก, ก, ทกขก็คืองงต้องเความหนัทันหนาเจอันหนาหนักทันหนางานมันจึงทกถ้าเราลงละสะปละัปย์ทิที่ไม่ได้ก็เคยเบียรของทุกข์สำคัญตัววนาสสำคัญตัวหนัก know. ยูก็เกิดแบบมันเกิดมันดำเองมันมันสั่นเป็สัจจะผู้พอดิ้นนี่สั่นแลวไปยืดเที่ันขวาวครับแม่ว่าว่าเที่ยวประชันกันข้างนั a นเลยทุกันไปยืไปเที่ยวว่าถึงเราเป็นกองของเรายังได้ฉัแก่ออกพุงเกิดพุ่งดำไปแก่ไปถูกโอ๊ยปวดใจฟังอย่านั คนเราไม่รู้เรื่องอะไรไปทำแจกออกนี่กรรมกรรมที่เราสวดเลยกรรมสักโกมกรรมยานยานากรรมโยยกรรมปกรรมปิาาา ทำไ i ที่เดิยังตงส สัตว์ทไปเกิดตรงนี้ามสิบเมินการมจาร์ปูกาตามคบมีสิบเอ็ดเชนยงไงดูปูเยอะดูบมีสิบันถ้าดูปูมีสรวมเป็นสามสสัตว์ทั้งหลาย ดันโลกนี่ไม่เท่าจะต้องไปเกิดตากผลของกรรมต่ในแต่นกรรมในของของใจบ่จำเนี่ยจะจะไม่จ็บสักในทเกิดอยในภพในภูมิต่างสังเกตเอาเราจะไปเกิดอยู่ในภพในภูมิในตัวกรรมมพบนีเนีเราทากรรมอะรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป กรรมองค์แล้วผ่อนไปเป็นจุดติพกแบ้ว่าจุดติเยอะพกหน่อยแ้าทำกรรมได้เลดูแล้วนันจะเป็นจุดติพกไปจุดติในพกที่เราทมองคได้ไหมกรรมองคนี้ตัวเป็นตัวเหตุตัวจุดติพกเป็นเป็นตัวผลเรื่องที้กาแฟเราไป็นุ้มใบเป็นใบเกล็ด ใหพหนึ่งเป็นชุดที่พบสิเป็นที่อุบัติอุบัติพอุบัติบนบนพบได้นัมันจะเสอมง่าจากกรรมที่ทำมาให้ดูให้ดูกำกรรมอยสียังทะลุกรรมแต่ในยิงบอกลุกรรตามนัทะลุแปลว่าัาน ที่ทำอะไรกนักนักท่องไกลเพื่อเกิดเคยรกากรรมบุญทางบานอะไรขาขอตีเมีข่าวพนั้นกรรท่านโรคิตของครูเจ้าในหอเดียนเปไนไรออกานนั้นท่านยกกรท่านสังคเท่านสแจกแ ขาแมงมดได้กล้าเขาได้แค่เอาปพกขาวขาแมงให้ให้นปฏิกิริยกรกันกลองหน้ลงอนกรรมรมปลาหงอนมกรมเบาหนักิเากรรมไมเคยชินกรรชินกรรมไันเลยต้องชิน เคยขายเคายโม้ขายเคยงาน้นนันีารับจ้างให้กันนั้นกรคยิกรมีใครเคยทำกรรมอะไรเป็นบุญหรือเป็นบาปไปเทไปทำเพราะกกรรมกรรปเคยชินเคยใช้บ้นทำทบุญทัท้งชไป เขือสะสมไก่ขาไก่ขาเมืองไทยน้องนมน้องทยกเขืซิอันนั้ก็อันทีสาครับใส่น้ำกับกำจวดเกียวจะได้น้องทำกำวันน้กำเพือการกระทั่ให้สิใดมันไปเยอะยิง่าน้หอกกันนี้ก็เพือความคลื่อนก สันนักกรรมกรรมจนเจ็บใจตายจิตมันทั้งหน้ามันค so ึ้ไปอย่างใดเรียงมันทั้งบนทั้งด้านไปกรรมวันนี้นะมันดนบลัยไปปัจจุบันกรรมกรรมเพื่อสิ่งใกล้ใจใจกับที่ไปถึงอ๋ทั้งบนทั้งดานนักราชสิ่งพระวนาได้นอนสวรรค์นอสมบัติสวรรค์สมบัติไปอันนักกรรมขึ้นไป ไปก่อนไปทาใกล้ทางกกลนัสักคนไปกไปกี่เวลาเป็นปีเาของเขาเคิดไปเรื่อยหนึ่งไปตักรบายู่นงมันก่กันต่ำมัปหัวละสนะต่ำคิดไปหัเรื่อยงคิดไปถึงตำหนะคิดไปถึงตำโต้เป็นเอิร์นละแนลต่ำ กรรจเจียนเสียจข้อคิดคิดเรือยอดอย่างอารมณ์คือของคิดอารมณ์คิ ด, ดเรืด อ, รนะดอดอนี้เกิดอารมณ์มมนะ ข, มมขึ้นมาอารมณ์นั้นคือพบข้งคิดอารมณ์เปรี่ยนจากนะั้นหน้าจิตก็จะไปตกด้วยในพบในพวงนี้แน่น้าอารมณ์เลยฉันก็กรรมเจียนเสีย มันจิงนีกรรมนิยมมากต่ก่อขเลยเนี่คิดถึงอีนั้นอาโลกนั้นเคยมาจิตก็เลยจ่ายยไนโลกนั้นดับเวลาโลนั้นน่ะไปเป็นภพลุติภพอบัติภพกระสืเรื่องไม่จากกรรมนี่นสุดท้ายก็แันี่ไป่าได้กรรมตตากรรมกรรมกรรมชาตว่าส รคว่าทกไปบุไปบาท่านไปไปเื่อไปไปสื่อฉะนั้นมันมีกรรมที่ว่ามานี้กรรมจะติดตามมันไปจำแนกแยกสับไปอยู่ในภพนภูมต่างกันนอกจากพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยอาหสกรรมเลยมันจะบวชหสกรรมกรรมเราจะได้าพระอรหันต์ ก็ท่านอยู่นอกธาตนั่นคันการไปทาการของนี่เเป็นเพียงจยาอาการของธาตุขันท่านไม่ได้ยึดเขาขันหาเป็นเราเองแล้วเราลขันขันหามันทางานแล้วแต่มันจะทงานไปเป็นถียอาการของธาตุของขันท่านไม่ได้ยึดติดราขันเราจิตเขาคือเขาคือเขาคือเขา ทังบุญทับาปเสียนะแต่กรรมวันนี้เป็นอาโมสิกรรมอ้โมสิกรรมเป็นได้เฉพาะวัดลานั้นมันนี่นท่านอยู่ลอกธาตุนั่ท่านห่าเลยทกอะไรก็ไม่เป็นบุญก็ไมเป็นบาปเพราะขันหาน่างัมนมีเจ้าของแล้วแต่ขันห่างนี่เจ้าของมีเราอยู่ครับเราเป็ น, นลักผลของกรรมต่อไป ขัามีอยู่กองาหนรม่เล่ายมูเสียงผมมเล่าันหาเกิยับผมไมเล่าเคยยับมไม่เล่ามีสักคนตัวเธอที่ไนท่รันจริงจริงอ่ะโมเสกกำขออ่ะโมเสกกำเด้อขออ่ะโมกกำเด้อโมเสกกำมันเป็นแอนี่ ในใจใครไม่พบในภูนนนนนมิทางทางคนของกรงเขาพูดวงมือจับว่าใครทำกรรมอนไรไว้เป็นมุหรือเป็นบาปกรรมสี่อย่างที่ว่าทางกรรมที่เป็นภูมิเพราะหูน่ากังกังเ ค, คยเส เมื okay. chain, chair, tay, wall, ball, it, ่อไก่ต้นเจนเดต้าเราคิดถึงกรรมย้องทำเอาเองก็เลยไปตกไปที่นั่นไปเจอไปพบนั Tao ้นพูน <talk> ั <apan 9> ่นเพราะอารมณ์ที่คิดไปเป็นที่เกิดทีั้งของจิตที่พบของจิตใจขาดอารมณ์ไหนตัวนี่ตัวกรรมมบนภพเป็นตัวเียที่เราทาเอาไว้ตัวอุบายที่บ ตัวจิตคบตัวอวบจิพบเนี่เป็นตัวฝนแล้วก็ทำให้เกิดตามผลของกรรมไม่ต้องสงสัยเรามันก็เที่ยนี่เหมนกันกับทวารอีกนะที่อย่ทวารสมุติกับทวารนิมุตติผูที่ฟังอวบานทวารนิมุตติเพทวารสมุติกระจายจะมีริ้วตายใจทวารสมุทรก็ นี่เดียวเทวันสมุทรทวันมีมวลโค่นจากเทวันสมุทรไปทวสมุทรจรับขอนหลบรับขอลเข้าไปตาไปม่นอนับรือเมื่อตายเมื่อนอนตายตัวนต์เตจตโนีเียวกรรมอันเดียว โูแยกทำด้วยกนแล้วทำกรรมอะไรไป้วนมุก็ต้องับต่อับช่วงต่อถ้าแตกัน้วสมมุติรับับัเอาไว้ยังไงถามุติรับช่วงต่อันเรกรรมอันีวรรมเป็นตัว สุดที่พบเรื่องแบบที่พบเป็นตัวขนตัวขนก็คือสวารนิมนต์ถ้าทวารนิมนต์รับออกมาอย่างไรทวารนิมต์คนรับอะไรนั้นเขาพูดแยกกันนี่ต้องใจรอต้องเข้าใจเยอเขาเข้าใจหม้หคนผู้ฉลาดใมกันได้เวลาเราแต่ใจเรามีสติไม่เห็นอี แล้วเอาอารมณ์กกนิดๆกรรมก็อีวเมาาวันสมุติาวมีดกอเดียวกันแล้วไปคิดไปงัแต่อารมณ์นิดกรรมนิคิดไปแต่เรื่องุ่เรื่องุมันอดได้ละว่อหลาหังของเขาเปปั ทวนมลับถอไปินกับไปบัติุบัติกรรมอันเดียวแค่่คนไหนง่นเดีทวานสมุดลับไปทวันสมุตนี่คือกรรมลตัวบัติหก็เป็นลทวันสมุก่ลับช่วง่อไป บาบก็บาบุญก็บุญไปกไปเิดทปนนของกรรมเก่าเนี่ยาแตขักับทาสมุนนันก็รับนันก็ส่งไปตัวเหียนนัก็ส่งนตัวสันติตโตติทวารสมุสัติตเรกรรมครบกันเดียวกันสันตตังตัว ขวานมุตัวผลมันก็คื อ, อ, าาาค อ, อเอาพาการทำออกสร้างเอาดุสุจลาในของไม่เคยตายแล้วถึงจะไปทำตายแล้วมันทาไม่ได้ลมหายใจมันมีมีมลมหายใจอยู่ถึงบำรุงพัฒนาได้สร้างบารมีได้ม ล, ดลหมหายใจมมีจะเอาอะไร ไ, ไปทำดุล หายแรงขึ้นดั3ตางต้องสร้างเดิมส้างสร้างผู้สการลมให้ใจมันดีช่วมีลมให้ใจอยู่ก็เรียกทำเอาทั้งก็ไม่ทำด้ว่ไหนทั้งทีลมให้ใจยอมล้องอีกคนหนึ่งเขาถพอสูตก็สูตต้องเข้าไม่ยอมเ่เพระวินัยก็เือให้เช พราล้มะมันคือองคุโธก็สิงสถิตอยู่ในลมหายใจผู้ใดสามารถดับลมหายใจลงได้ก็เห็นพุตโตขึ้นมาผู้ใดเห็นลมหายใจเข้าก็เห็นพระสูตรผู้ใดเห็นลมหายใจออกก็เห็นพระวินัยผู้ใดดับลมหายใจลงได้ก็เห็นองค์คามล้ ทำ ใ, ใจเราเขเรียกว่าสัาง่งงานคกิดตายโอ้ยมันอยากมันทั้ยากเพคนไม่ทำคนไม่กล้าออกมานี้ประจิ้มเชื่ อ, อ, อที่เด็กคือเอามัดเอาไปทีเด็กคือสัโยดดึงรัดมัดสักให้ติดอยู่ในพวงในฉากไม่มีที่สิ้นสุดไม่ยอมให้เรา กตจะั่นน่มันก็ค้านั้นติดอันนี้อยู่นั่นนะมันถูกเราไหมที่เละตองมัดสักให้ติดอยู่ในพวกวิชาตนี่ยที่สุดถ้าจะออกมาก่อนเดี๋ยวค้านั้นรู้ลูกทราบว่ค้านี้อยู่ค้านี่ค้าสินอยู่ผู้มีนี่มี มีมาก็ข้าหมาอยู่ให้มาตายซะก่อนเรียกมือมานานแล้วุวดถ่าร้านให้ร้านเข้าโรงเรียนซะก่อนออกโรเรียนมาหรอกให้ั้นแต่งงานซะก่อนปวดตันที่ปูกไมไหวมันสลาดกับเรามานะัวนี้ร้อยสามพันเยี่ยมทำงั้นเราก็ดตอตรนี้หมดแล้ว ตั้งแต่รสังทันเหลี่ยสทันคมแม่จะนอนตื่นยังบอก่เดียวไม่เพิ่งตีแล้ทำซะก่อนมาทำบเอามาก่อนหรือเขาตีแล้ทำซก่อนเดี๋ยวบอกเพื่อนมาป่วยกันเดี๋ยวคนแล้ยวอนเห็นว่าป่วยมันว่าง่ายันว่า่ายเขาบกป้าปอทุกคนูใามปาบ แกไข่แกปวยเอาบังคับมันไปนั่นนะขาไมา่ไหวเปี่นเดียวเพื่อนพวกมึงจังน้อง ว, ว่าปวยป่วยเขาบอกว่าป่วยไงป่วยนังนน่งเลี้ยงนันเองว่าว่าท่าบัท่า น, านม่เลยหาเลี้ยงอที่เป็ตอปอ่อมื่อวันเนี่ยน้องข้งา โ, ม, าโม่ทั้งว่าปวยนั่งเลี้ยงเดียดเปลี่ย ทำไวแล้วทำปัญญาไว้แล้วปัญญาเล็ดแหลมเมนกันปัญญาเกล็ดพอให้ความเข้มไวทั้งต้องเข้มไวทั้ว่าไม่ว่ความเสี่ยงนมากถามว่าถามว่ากบ้านนั่นถงมันแจ่มข้อมไปเลยปัญญาองเกล้ดแหลมคอยทำอยู่ในเกลยังขาดทอยู่ ที่การใจมั่นมั่นมาแล้วมันปวเสนามารถที่ไปเห็นนิมิตพว่าิเด็ย่งไปแง่่าไปเสีก็มั่นมันกูเป็นลกผู้มันลูกกู้โสขทีมาสอนมันบอกว่ามั่นบอกว่ามั่นเพราว่าจิเด็ดที่ไปว่ามั่นอย่างนี้ว่าิเด็ดอย่างนี้ลกกู้มันลูกกู้โสาพ่นกาพนหม่พ่นพ่นกนปุ่นนั้นไมับ ปัญญเกลี <Lex us> <L centre> ่ยันแหลมันนันก็าเข้ามาบอกเาังน้องผู้มันน้องผู้สาวลงมาลงจ้าว่าหันหนึ่งเดนหันทั้งายซำเด่แตงเด็อยหอออกจากสมาธิม่งเดินเบนมันสิ่งก็เหนน้องผู้มันน้องผู้สาวมงนกาเพึนไหันก็ปลยนเป็นเนว่ยงเทา เนื้ออันน uh, e, mm ี hmm. ้เหว่าว้ามันมั่นว่าวามันยินเดว่าเดีว่้านเพิ่มเป็นมั่นเป็นยินดี๋ยวคิดเจ้าของยังได้ว่าเปลี่ยนเป็นหูุ่มเปนมั่นมั่หลอกเจ้าของตั้ตัวเจ้าของเลยคือบางหนึ่งเด็กท่านตัวท่านตีข้อก็คนคนเดียวใครแดียววางลูกคนเดียวนงแม่บานม่เล่านตีข้อก็คน เีราก้กันมันไผ่แต่มันกิเลสบัด่านตี้ยวนออกไปกัได้หหามูถามว่าไข่กับกล้วยกันแล้วกับตัวเหมอกับตัวอะไรเงีมันแบบป็นยะของกิเลสมันก็เลื่อนที่เมา่ตัวมูตัวคู้บาอาจารย์ไผ่่ยคลื่อนแต่วลาทมืตัวบาันเคลื่ มันวายโคตรโคตรโคบอขี้เหี I can. I can ่แล้วเขาไ่ได้ตัวคนเนาะมันไปว่าท่านมึงจะไว่าว่าอย่างนั้นสิกระยาคนไทยมึงได้แบตมห้อเลยเขาไม่ได้ตัวได้เขาบอกแบบซื้อๆนะครับูมันลอยสันทานคมลอยสันท่นเยี่ยมกว้าห้องนี่แหละขี้เห่มอะไรมาโผลม ไว้บริษัทมากสร้างขึ้งามข้อมดีหนีออกจากภบจากชาเลยกับปูข้าวนกิเลกกิเลน้องขอกขาแมเนยนกิเลสหัวมากเป็นท็อเข า, ขาเลยแ่กิเลสเล ม, มานีน้นนงนนองขาแ่ไอสกการขาเอาหนีงเปา็ากิเลส กิเลสมันพ่อขาได้เยมันแรงแต่แรงมากเลยกิเลสเอมันก่เห็นโตเห็นตนเองของยังมาขามม่เนรอจ้งว่ามันท่องบัตรเจริของันไปขามันท่องขีดข่ายท่องขีดเขียพท่องเมื่เต้สวยของยังไปขามันมันติดใจกิเลสยัพ่อขาได้เลยกิเลสยังขาได้แจ้งมันไม่ได้ปีกบัตร มันเปลี่ยนเข้าไปว่าใส่ในว่าอสี่เดียวถึงมันเปลี่ยนเไปเแล้วตัวมานหนังตัวไปอันนี้เตือว่าท่านมินทบายมะาไปที่เจ็บมองงภาวนาได้เหรก็น้อว่าเห็นแล้วทวาาานาคิดส่สิ่นี้สิยังเรวกว่าลงมากมินบายนว่าใส่เนียวล้เจ็ขึ้นว่าใส่าปุย ไปเนี่ยี่เด็กเพราสที่ว่าเราสอพันยันราสอนพันพกทาบอกคเดล็ดคนแย่คนเกล็ดถ้นเหนือคนแย่เขาบอกเลยเแต่งเขาเลยแจ้งยังเขาบอกว่านำสมาี่ดีได้มากไดมากมันบอว่ามันนั่งอดเกิท่านินทบาทจักรยายคนเด ปกิเล็กปกิกลาทีเตมไว้นี่า้าวนหน้าาวนาันอดนอนันนอดเขาโอฉันเขาบผาวนหน้าเพื่นปั๊บอบายเพราะมัาแขงฉันเองปับอาทุกคนเจ้าโมมาฉันเขาเจ้านอนหวแง่่มันเจ้านอนตี่าทาตัวโมาเาวนหน้ามลงมา เกิดกััโกศเเจ้าก็เป็นอภัต์อาจากการเป็นผ่านถ้ า, ามันสิ้นสอ ง, อยอยงี่สิบ้ น, น, านขาดอนึงเก็ได้เป็นผ่านนึงเาลยมะปรงอวัตตหมั้งสิเป็นผ่านได้นอนบอวมบมากต้องเล่งห้องเทียรเกิดประโยชน์ไ้เล่งองเพียรปกติเนว่าหนนอโคตเขาพัดทำพู อาจจะกีลมาทานีเยระกับพอเกิดในื่ไงเปลากับพออาหารมันทำหน้าทีย่อยหอ่อาหารมันเสียวอาหารใช่ไหมมันทำหน้าเดี๋ยวกับพ่อตัดกันเป็นเพสโล่งสีว่ามีเขาสีมันติดเครื่องเงนกับพอก็เลยตัดกันเป็นแพ้ไปเพขึ้นมาอนเราคนทำงานเอา ตองลงมากินมาฉันกระเพาะได้ทางานมันยังพูว่าป็นโหลกกรพาะที่เหลี่ยมไปเลี้ยงนั่นเรียกาดั่งเปนมู่นข้อเป็นข้มันไม่นั่นดังแม่ันเลี้ยวเฉยเลยที่เหลี่างคนกดมันไว้ยอะมันบวมมาฉันเขาเห็นแต่นนอนเดินเลี้ยวเฮียของเขตื่นมา ผมหมายสัญเขาเ a ี h ยเด็ดเดวคงม่นกันเลนั่งสมาธิมมนันเตนโตเบาสบายหายง่วงผหมายสัญเขาบรรักของหอันดรรักของไปนั่งดูลอินแต่ซงจ้งบอกใส่กุญแจไปบรรลักษณของไข่ใหมาเป็นอาะสิอาะต หลักออกหลักออกฟองเล็กๆเงยเป็นอาวัตปทตะีลักออกองยง่ไหนเป็นอาวัตไปทิศหลักสนำหล่นนลักสนไปอมดาวัตได้ลักเนลอยลักนนล้ไปฟองน้ำกินน้ำใส่ลักออกกกันกูตีเเป็นอาวัตไปทิศ เราเอาโน้มโน้มเองเชี่ยไปหัวมาเทมาเทเทว่าใช่เลยอย่างงูเห็บเวลามาตั้งไปนั้นงูเข้าไปเที่ยวไปทุตที่เล็ดก็จะแหมเลยโอ้นี่ทานว่ยองนั่นล่ะปฏิบัติมันคือมันได้ปวดมากเลยดเตนสตมาเตือตีแต่ว่าไม่ได กิเลสดอกกิเลส่ได้คนตีกิเลสกิเลสมันผาเป็นาไกิเลสมันผ้าตกิเลสมันาลกกิเลสมัน้าัเนี่ยตีาตีกิเลสเีมอันจากเียนแค่ไหนแค่ไหนทิความน ย่างลอยๆไปพุทธามพุีนโอ้ยวน้ามีลูกไว้น้ากน้เี่กองเราไปไหนมเมเป็นอีกนเแลหทุกคมีสิน้ไ้เก็ไปกีวา để tìm lời nó mới về những thứ mới hiểu ô n g có n g n h u y ệ n nhằm gì cả c ũ n chỉ nói về p h